เทศอบรมพระวันที่ห้ามิถุนายน 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเด็ดเผ็ดร้อนมากเทศอยู่ร่วมกันให้มองกันในแง่เป็นธรรมกิเลสเป็นนายเหนือหัวเราเพราะเราโง่กว่ากิเลสเราไม่ค่อยเป็นนายกิเลสเลย เพราะอุบายสติปัญญาไม่ทันมันการอดอาหารทีแรกใจสงบแต่คราวต่อไปไม่สงบเพราะใจไปยึดอารมณ์ที่เคยสงบในอดีตมากีดขวางปัจจุบันจงละอารมณ์อดีตกันนี้ผู้ทรรมประเสริฐกิเลสเป็นของต่ำสามเมื่อไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งจึงเห็นว่ากิเลสเป็นของดี และเคลิมตามมันไปตลอดรถรรมชนะรถทั้งปวงรถทั้งปวงก็คือรถของกิเลสนั่นแหละจะเป็นรถอะไรไปเวลารถกิเลสมันเหยียบย่ำทําลายใจมากๆทำให้คิดเห็นในครูอาจารย์ว่าไม่ดีไม่ประเสริฐไปเสียทั้งนั้นและและพูดเรื่องหลวงตาใบบ้านน้องผือตอนท้ายกันนี้ อัดต่อให้ใครไม่ค่อยเหมาะนอกจากผู้มุ่งทมจริงๆมีเพื่อนมีคณะเป็นคณะคณะไม่ว่าแพรว่าแม้แต่มาเปิดคาแล้วภานไม่พ้นจากความอยู่ร่วมกัน ผิดกษัตร์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาสัตว์ป่าบางประเภทอยู่ตัวเดียวตามประเภทก็เป็นหมู่เป็นคณะเป็นทุนูงแต่มนุษยดาวนี้ไม่จะไม่ว่าที่ใดทั่วโลกไม่ปรากฏว่าอยู่คนเดียว ไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องมีหมูมีคณะเ ป, เป็นครอบเป็นครัวเป็นสังคม ม, ม, มันเรื่องถูกจะหลามนุษงกีขาดก็ถูกาตาม น, นิสัยของมนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกันก็อม่ผิด เราเป็นพระเป็นผู้ดูเดี่ยวคนจะอยู่ลำพังองค์เดียวแต่หลักใหญ่ก็ต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะอยู่โดยดีเนี่ยจะออกไปบงเพ็ญในสถานที่ต่างๆด้วยความเป็นผู้มีตนคนเดียวแตโอกาส ยุคความจาเป็นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะกับครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพระลกอ่าถามข้อข้อแย้งต่างๆย่อมมีอยู่เป็นรักเป็นตอนสุดท้ายก็เอยกากบอกเป็นสัตหมูสัตคณะอีกเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันนักที่กดระเบียงข้อบังคับ ที่จะให้แสดงออกของพระกับของคราวาดนั้นต่างกันพระมีกฎมีระเบียบโดยหลักธรรมหลักวินยัยเป็นสำคัญการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมจึงให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินยัยเมืกก่อเราแตะแยงทางจิดชิดออกมาด้วยเหตุผลกลไกกลไกอันใดก็ตาม ก็ต้องได้ระมัดระวังสังดวงความคิดว่าผิดหรือถูกอยู่โดยดีไม่ผิดธรรมก็ต้องผิดวิปไม่ผิดวินัยก็ต้องผิดธรรมผิดวินัยเป็นความหยากผิดธรรมเป็นความละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสแต่จำต้องไงระมัดระวังเพราะเรามาแก้กิเลสคือไม่ควรนอนใจในความคิดเช่นนั้นความลายจารที่เกี่ยวข้องกับหมู ก, กับคนนี้ที่จะต้องพูด ต้องเรียนธรนมะเพื่รักษาทางกายกเหมือนกันเกี่ยวข้องกับหูมิกับพระนัหรือโดยลำพังคนเดียวการกระทำสิ่งใดต้องคำนึงถึงกฎและเกี่ยวข้อบังคับคือหลักธรรมนี้ในเป็นทางเดินต่อวันไม่ได้แม้จะอยู่เป็นหมู่เป็นอาณาก็มีรัทถิมี ข้อบังคับมีกฎมีเกณเป็นเครื่องดําเนินดีในวงคณะเดียวกันที่เป็นพระส่วนพระราชาเขาก็มีก้หมายบ้านเมืองเป็นเครื่องปกครองกฎก็คยมีนันรยกว่ายากไปตามเท็จของกาว่าซึ่งจะเปานมวดกฎขันในความประพฤกิจริยการทํางในออกทุกแง่ทุกมุมอะไรนักเหมือนพระ ทางนี้จะพูดถูกต้องตามหลักของความเป็นนักบวชแล้วต้องมีการละมัดระังอยู่ทุกระยะทุกเอียาบุมีความเคลื่อนไหวเพราะกายวาจา ใ, ใจแต่เราอยู่รวมหมูร่รวมคณะกัน น, นีจิตในใิสัยไม่เหมือนกันต่าง ลายต่างเป็นของตัวของตัวมาดังเดิมแม้จะมีกี่รายด้วยกันมีกี่รูปกี่องค์ด้วยกันก็ตายผลิตนิสัยอันเป็นแกนเดิมซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นย่อมเป็นของตัวเองอันนี้ก่อทราบไม่ว่าเป็นของแต่ละรายละ แต่การแสดงออกมาจากนิสัยนั้นพึงระวังที่จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อหลักธรรมหลักวินัยอันนั้นไม่ใช่นิสัยแต่ถึงตลอดถึงการกระทบกระเทือนแก่หมู่คณะที่อยู่ร่วมกันนั่นก็ไม่จัดว่าเป็นนิสัยเราต้องได้ระมัดระวังทุกทุกรูปทุกองค์ไปการระวังตัวนั่นแหละ คือการรักษาความสงบเรียบร้อยในวงคณะที่อยู่ร่วมกันไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนอวัยวะเดียวกันการประพฤติพรตพ ร, รมจรรันทร์ก็มีความสะดวกสบายเพราะไม่เป็นนิวร์ไม่เป็นสัญญาอารมณ์ที่มาเก่ะกวนจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้สงบตัวเข้าสู่สมาธิในขณะที่ทำความเพียรนั้นไม่ได้ ด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องระมัดระวังรักษาผู้ใดร่ายใดให้ถือว่าเราเป็นพระเต็มภูมิความสมมติว่าเป็นพระและว้วเวลานจงรักษาภูมิความเป็นพระของตนทั้งอยู่ภายในจิตใจและการแสดงออกมาสู่ภาย น, นอกด้วยกายวาจาอย่าให้มีการกระทบกระเทือนซึ่งากาันมกันเรื่องคฐิมานะ อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงนั้นใถือว่าเป็นค่าสุดแก่ตนด้วยถือว่าเป็นค่าสุดแก่วงคณะด้วยใครๆอย่านําออกมาให้เลี่ยนหลาสกสาดกระจายจะเป็นการกระทบกระเทือนตกกับตกในวงหมูนะ่คณะหาความผาสุกไม่ได้แล้วเพาะอย่างยิ่งวงพระกรรมฐานนี้เป็นวงที่ละเอียด การประพฤติปฏิบัติราละเอียดหรือละเอียดตามหลักทมหลักวินัยนั่นแหละไม่ได้หาความละเ อ, ยอเียดนอกเขตนอกแดนแบกแนวมาจากหลักมาจากไหนโดยถือหลักทมหลักวินัยเป็นเครื่องนำดับเพราะราหลักทมหลักวินัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนมากทีเดียวการเราอยากเราจะทราบได้ชัดก็เวลาปฏิบัติทำร้านจิตใจ ใจมีความละเอียดอ่อนเข้าไปเท่าไหรเรายิาง่งเห็นความซึ้งของธรรมว่ามีความละเอียดอ่อนไปเท่านั้นและในขณะเดียวกันกิเลสก็มีความละเอียดอ่อนไปตามๆกันซึ่งจะไว้ใจหรือนอนใจไม่ได้ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการอยู่ด้วยกันหรือความผาสุป ก, ก็คือต่างคนต่างระมัดระวังกิเลสของตนไม่ให้สแสดงออก มันเป็นการกระทบกระเทือนตนเองให้วาวุ่นขุนโ ม, มไปด้วยเป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นให้เกิดสัญญาอารมณ์เป็นความอยู่ไม่สะดวกสบายและแค่ละคายซึ่งการละกันด้วยซึ่งเป็นความเสียหายทังด้านอิจตะภาวนาเป็นสําคัญแม้แต่ไม่มีสัญญาอารมณ์อันใดนาเกี่ยวข้องวุ่นวายขึ้นเชื่อเป็นความผิดไปเรียกใ น, น้อยเมตตากฏเลยขนาดนั้นยังภาวนาไม่ลง เพาะจิตเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติอันหนึ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําความขอควรตนเองให้ยิ่งหยิงยุ่งเห ย, ยิงวุ่นวายจนถึงกับเข้าสู่ความสงบไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เราทําความเพียนเพื่อความสงบมีปกติของกิจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วยิ่งมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องมีรามอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มไปเพิ่มา ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนมากขึ้นและระบากสาปแช่งไปถึงวงคณะหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันมากน้อยให้รับความไม่พาสุกไปตามๆกันก็คุณชิวกว่าชัวเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตนเองและผู้อื่นยิ่งไม่สมควรแก่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อมากำจัดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือสิ่งต่ําช้าเดืสามทั้งหลายหลงนี้การอยู่ร่ ร่วมกันด้วยความพาสุก็คือต่างคนต่างปกครองตนเองต่างคนต่างรักษาตัวเองมาให้มีกิริยาอาการอันใดแสดงออกมาอันเป็นเรื่องของที่เหลวต่อหมู่คณะนี่เป็นหลักใหญ่ใงการอยู่ร่วมกันเมื่อไม่มีอะไรต่างองค์ <c oughs> ต่างมีเหตุมีผลมีหลักธรรมเป็นที่ต่างยุด หลักทำเป็นเครื่องด้ำเนินอยู่เสมอแล้วย่อมไม่มีความผืดเมื้อผืดตัวหรือทิฏฐิมานะผืดแต่ความถูกต้องอันเป็นกฎเกณฑ์ออกมาจากทำเป็นขั้งแต่เนี้ยจิตจะไม่มีความสงบก็ไม่เป็นภูมิเพราะโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้ให้โอกาสมันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นความ ฐาสุขหรือความสงบกันอยูุ่คละสัปปายะอยู่ด้วยกันเป็นฐาสุขในวงคณะนี่มีถึงเจ็ดกายยานมิตรทั้งนั้นแล้วการมองกันอย่ามองในแง่ร้ายให้มองในแง่เหตุผลเสมอหากมีเหตุผลหรือหากมีความจําเป็นที่จะมองกันที่จะคิดเกี่ยวข้องถึงสารกมรที่อยู่ร่วมกันให้คิด เพื่อไว้เสมอคือความเมตตาความให้อภัยซึ่งกันและกันนี้เป็นหลักของผู้ปฏิบัติและไม่ให้มองในนี้อะไรหากว่ามีความองค์เห็นองคใดมีความผิดกล้าจากหลักธรรมหลักวินยัยก็ให้ตักเตือนซึ่งกันและกันได้ด้วยความเป็นธรรมผู้รับฟังก็ฟังเพื่อความเป็นธรรมและเพื่อจะแก้ยิให้ดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักความถูกต้อง ที่ท่านผู้นั้น อ, อ, อาสั่งสอนหรือเตือนนี่ชื่อว่าเป็นความถูกต้องทั้งสองฝ่ายพูดเตือนก็เตือนด้วยความเป็นธรรมไม่ได้เตือนด้วยความยกโทษไม่ได้เตือนด้วยความอารมณ์ความโกรธความแค้นความดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันผู้รับก็รับด้วยความเป็นธรรมเทิดทูลในคําตักเตือนของผู้อื่นที่มาชี้โทษซึ่งเป็นเหมือนกับชี้บอกขุมทรัพย์ให้ตนเองได้ดําเนิน เป็นความถูกต้องให้งสองฝาทการอยู่ร่วมกันเป็นสำคัญถ้าหาก็มีรายใดรายหนึ่งแสดงที <c oughs> ิยาการหอกมาในทางไม่ถูกอัดถธรรมการกระทบกระเทือนลึกฝังแทงหูสายตาของคนอื่นกระดกถึงการสะดุดใจด้วยแล้วจะ เป็นความกระทบกระเทือนทั่วกันทั้งัด้วยเหตุนี้เองการอยู่ร่วมกันจึงต้องได้ระมัดระวังให้มีความอภัยกันไว้เสมอสมกับเราเป็นนักธรรมะที่เต็มไปด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นสาคัญมีเป็นพื้นฐานของกิจผู้ปฏิบัติอยู่โดยปกติก็ต้องจเจริญเมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตา ถูกิตาหุนตุสเปสตาเวิราหุนตุก็เลื่อยนอกจากนั้นก็จะเดินกรณีิยเมตตาสุวิรูปเคหรืออัปภิญญาภู ม, มิหานที่ท่านกล่าวไว้ว่าอธิโคเตนะระโรตาจานตาปัตตายะต า, ส, าสัมมาสัมพุทธถนะเป็นตนน้นว่า งนั้นท่านเมตตาสตนเกจาเอกังดิสงภวหติเก็ที่นี่แหละว่าไปเมตตาสหกตนัเกิาตเอกิส้งภิวิหติองนั่นแ พุธิยัมจะติดทังเธออรแตะเพียงจะตทังเรื่อยแต่จนถึงเขาโลกมิตวาวิหารติความสับบางอไรผลิตวาวิหารติทันว่า้วิสนที่เมตตาสัเเกิาเอกราิช้างผลิวาวิหารติถ้าดูยังจะท่าตะเพียงจะทาติทังิวุตติวุตอิติวุโติ แล้วก็เราลืมไหนึกว่าจะลืมแมันคล่องปากเนี่ยบเวลามาพูดมันก็ลืมสวัี่ิพราะสวัาติตาเห็นแล้วก็สบังโลกันพริกปาวิหาติ ที่นี้ก็อประมาณในะนนะาเวเรนาเบียตนะิเชนัฐฤทธิ์ตววิไลที่กรุณาเมตตรุณาเจ้ากติณีเจ้าก็เหมือนกันเหมือนกันนี่ท่านเรียกอ่ปัญญาภูมิหานควรเจริญเสมอสําหรับพระนี่พูดมาพอเป็นปากเป็นทา ง, น, งนี่ท่านทั้งหลายได้พี่เอานำไปปฏิบัติเรื่งความร่มเย็ยนเป็นสุขเจริญเมตตาอันนั้นก็บําเพ็ญตัวเอง ทางด้านจิตตภาวนาและอย่าไปคิดแักแคะแลกขายกับหมู่กับเพื่อนกับผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาเป็นอารมณ์ให้ถือว่ามาอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นธรรมและด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเป็นผู้เสียสละได้ผู้ได้ว่าเป็นผู้เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้ให้อภัยกันได้ถ้าให้อภัยกันไม่ได้ไม่มีใครให้อภัยกันได้ นี่เป็นหลักสําคัญของพระเวลาอยู่ร่วมกันก็เป็นมีความพาสุรุ่มเย็นนี่เป็นหลักใหญ่แห่งการปกครองด้วยเหตุ น, นี้เองผมจึงรับพระ ม, มากๆไม่ได้เพราะได้พิจารณานแล้วเราไม่คิดกลัวอดกลัวอยากเริ่มจะตกปจจัยแทงทางทีดว่าจะมาบำรุงรักษาพระใน เ, เมื่ว่าต้องหลอกกลัวว่ามากไปจะไม่เพียงพออยนี้เราไม่ได้คิด เราคิดในแง่การปกครองซึ่งอยู่ด้วยกามเป็นจำนวนมากอาจดูแลไม่ทั่วถึงหรืออาจมีรายาดรายหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายกระตัวเตือนแก่หมู่คณะแล้วก็เป็นความเดือดร้อนไปทั่วทั้งวัดซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเลยการรับไว้พอประมาณการแนะนำสั่งสอนก็เต็มเม็ดเต็เมหน่วยมองดูอะไรๆการดูแลก็ทั่วถึง อะไรๆก็ตามถ้ามากแล้วไม่ดีมากเกินไปการทําอะไรก็ช้าถึงการขบการฉันแทนที่จะเร็วก็ช้าจากนั้นจัดนี้ถ้าเนมีมากท้าอะไรก็ยิ่งจัดเป็นเวลานานทำมักว่าจะเสร็จก็้ายออกนั่นก็นจัดนั่นจากนี้กว่าจะเสร็จก็กินเวลานานๆแล้มันต้องทํานั่นเพื่ออุณนั่นทํานี้เพื่อองค์นี้ เพื่อกันอยู่ทั้งวัดมีจะนอนมากเท่าไรก็เพื่อกันมากเท่านั้นไม่ เ, เป็นเรื่องกังวลแต็นะ่หาความเมตาเวลาที่จะประกอบความภาคเพียรให้นึกว่าความสะดวกทางด้านจิตใจไม่ได้อย่างนี้เขาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ ใ, นใดเราหนนี้จึงรับเพียงพอประมาณปีนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วสามองค์พอขนาดนั้นเรื่องความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนนั่นเมตตา สงสารทำไมจะไม่สงสารผู้มามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันทำไมจะไม่สงสารเราก็เคยเป็นผู้น้อยสอบเสริงหาครูอาจารย์มาเป็นไม่ลาม่ทราบว่ากี่องละก็จะพบท่านอาจารย์มั่นเีรเราก็เห็นใจแล้วเเรื่องของเรานี้ออกเทียบเทียงใจของเรานี้ออกเทียบเทียงของออกเทียบเทียงใจของหมู่คณะไม่อย่างนั้นก็ปฏิบัติต่อกันไม่ถูกเพราะเรื่องมันเหมือนเหมือนกัน แต่เท่าที่รับไม่ได้เท่าที่รับนี้ก็พอเห็นว่าพอสมควรนะถ้ามากกว่านี้ก็เฟอเดียวกันเลอะเลอะเถอะเอะไปหมดเกิงเก้ก้างก้า <c oughs> ดูแม่น่า <c oughs> คนหนึ่งทาอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งอกผมก็แตกนาะที่เราอยู่ด้วยกันเวลานี้บางท่านบางองค์อาจจะเข้าใจว่าวัดนี้มีความเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวปาฐาน นี่เพราะเห็นว่าไม่เคยเห็นที่เราดำเนินมาตั้งแต่ก่อนเป็นยายรเราจะเห็นได้จากประชาชนทั้งหลายที่เขายกยอเสนอรรวัม ต, ต, ต่าวัดต่างแบบไม่มีวัดไหนเสมอไม่มีวัดไหนเทียบแข่งได้ถ้าพูดถึงว่าแข่งก็ไม่มีวัดไหนเรื่องความเป็นระเบียบเพียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างตาลดอดภาคหนืงมีจำนวนมากน้อยมิ ความสวยงาม ต, ตามๆกันหมดไม่มีองไห น, สนแสดงอากถึงทิยาที่ไม่น่าดูให้เห็นในวงพระของมัสตาบมันตา น, นั้นเลยนี่ให้เขาชมแต่เราอย่าไปดีใจเรื่องความชมของเขาเจ้าท่านนี่เราละมาดย่อนยานต่อหมู่ต่อคณะลงมากมายีือียู่เพราะเหตุอะไรถึงต้องย่อนดานลงมา ก็มีจํานวนมากมันหักเป็นพวงนั้นไปเองมีมากขามากขาก็เป็นไปตลอดจะตุปัจัพอทานมันเกิดมามีมาทั้งหอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนี่การประพฤติปฏิบัติของเราก็มาเดียวัๆน้ําคนก็มาเกี่ยวข้องมากวันหนึ่งมันหนึ่งเช้าหนึ่งเช้าหนึ่งมีมากาขาคาก็ขาดเพียงเช้าหนึ่งสองเช้าแต่นั้นก็มีมาเรื่อยๆขาดมีมากมีน้อยก็ต้องทําให้ยุ่งวุ่น ว, นวาย จ, จากนั่นจากนี้ กเขาจะทำอย่างไรเพราะเป็นศรัทธาเป็นอั่าศัยของผูดมาด้วยความสมัครใจอันนี้เป็นอั่ยาศัยไม่มีใครที่จะห้ามใครไาการขบการชันของเราถัดดูตามภาพทุกวันนี้มันก็เหลือเฟือความเหลือเฟือในเรื่องจตุปัจจัยจรยธรรนี้เป็นสิ่งที่จะกดท่วงทางด้านจิตตภาวนาลงได้ ถ้าผู้ลืมตัวก็อาจจะเป็นความต่ํา้ำลงไปโดยลำดับก็นกดาไม่สงสัยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องให้เห็นภายในสิ่งทั้งหลายอยู่เสมออย่าไปคุ้นเคยกับผิ่ดใดตายใจกับสิดใดแล้วจิตต้องจมฝังอยู่ในสิ่งนั้นเพราะกระทำลายธรรมของตัวเองหาความเฉลยงอกนามไม่ได้ก็ต้องระมัดระวังการปฏิบัติเป็นสิ่งสําคัญมาก ในเรื่องจิจตภาวนาอันมีความห้าวหาญให้มีการต่อสู้ให้มีความเข้มแข็งอย่ามีความอ่อนแอท้อแท้แล้วกลายเป็นเรื่องเหลวไหลไปจะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเกิดขึ้นยีเลทุก ป, ประเภทให้พึงทราบว่าเป็นสิ่งที่ทเหนียวแน่นที่สุดเป็นสิ่งที่แหลมคมฉลาดกับเราอยู่มากเราจะทําแบบซิซี่เชิ่อเชิ่อแบบนี้ จะไม่มีกิเลสตัวนายหลุดลอยออกไปหรือเหมาะยอมต่อเราได้หรือเพราะปกติกิเลสมีอํานาจอยู่แล้วบนจิตใจเรามีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าเราอยู่แล้วจึงได้เป็นนายเราเราว่าเราเป็นนายอะไรเดียวนี้เรายังไม่ได้เป็นนายอะไร น, ะนอกจากเป็นบอยขอ ง, ของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเท่านั้น ความคิดความกรุงทุกแยน่ทุกมุมที่แสดงออกมาจากแต่นั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความบงการของกิเลสให้คิดในึงเนี่ยนั้นเนี่นี่ก่อความไม่สงบเพียรใจไม่ใช่เรื่องอื่นใดไม่ใช่ผู้ใดคือตัวกิเลสแต่ละประเภทประเภทถักดันออกมาบังคับออกมาให้คิดให้ปรุงให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายให้รักให้ชงัง ใ, ให้เกลียดให้โกรธมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ยังไม่ทราบมันเพรามันเป็นไผ่ จะเรียกว่าเราฉลาดทันมันหึกฉลาดเหงือมันได้เราคล้อยตามมันทุกระยะที่คิดบุงออกไปความเปรียดเราก็ม่นรู้สึกตัวว่าเป็นกิเลสความโกรธเราก็มึนรู้สึกตัวเป็นกิเลสความรักความชังเราก็มนไม่รู้สึกตัวว่าเป็นแผนของกิเลสที่บังคับให้แสดงออกมาถ้ า, าเรารู้มันอยู่ทุกระยะระยะไม่นานกิเลสต้องหมอราก นี่เป็นหนักสําคัญมากส น, น, นักรารปฏิบัติจะพึงสาเนียมให้ถึงใจในเรื่องของกิเลสกับเรานั้นมีความดึงรั้าต่ําสูงกันอยู่กว่ากันอยู่มากในเรื่องความถนัดแหลมคงของมันกับของเราทันใดที่กิเลสจะยอมจํานได้ก็คือสติปัญญาศรัทธาความเที่ยงเป็นเครื่องหลงหนังสติเป็นของสําคัญปัญญาเป็นเครื่องขุดคน้นคุยเคี่ยวฟาดฟัน กัลงไปสติเป็นผู้ควบคุมงานไม่ให้เผลอตัวแล้วเมื่อทำไม่หยุดไม่ถอยสติก็มีความแก่แก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นสัมปัติธญญมะคือความรู้สึกตัวอยู่โดยเสมอำเสมอไปได้จากความรู้ได้เป็นระยะระยะของสตินั้นก็กลายเป็นสัมปัติธญญมะขึ้นมาเลยจากสัมปัติธรญมะไปแล้วก็เป็นมหาสติไปได้ปัญญาก็เหมือนกันลมลุกคุกคาน เราอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเฉยๆองหาอุบายชิดคน้นซอกแสกซิกแซกในคิกในเนี้ยต่างๆอันใดก็ตามถ้าเป็นอุบายที่จะทำให้กิเลสบุดลอยไปหรือให้กิเลสสงบลงพึงทราบว่า น, นั่นคือธรรมปัญญาธรรมเราอย่าไปคอยจ้องตั้งแต่คำผีมันจะเป็นหนอนแท้กระดาษพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ออกมาจากพระไถยนี่แหละทำอยู่ที่พระไถยทำอยู่ที่ใจสติปัญญาอยู่ที่ใจผิดขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสมันแหลมคมมากเป็นนายเหนือหัวเราทุกระยะที่คิดที่ปรุงที่สัมผัสทัพพันกับสินใดไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมตัวเข้าไปเป็นธรรมารมพานาในจิตใจ มีด้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของพี่เดชเรายังไม่ยอมเห็นโทษของมันได้ก็เพราะเรายัางโง่กว่ามันหากเรามีความฉลาดกว่ามันแล้วความมันปรุงแยบมันก็ทราบปรุงแยบมันก็ทราบหึ่ยเราพยายามทําไปจะเป็นไปอย่างที่พูดนี้โดยไม่ต้องสงสัยพยายามฝึกจิตทั้งตัวเสมอการอดอาหารเป็นสิ่งที่บรรเทาความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้ดีเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งเป็นเครื่องโน้นความเพียรของเรา แต่ผู้ประกอบความภาคเพียนในวาระที่อดหารแต่ละครั้งละครั้งแต่ละพักละตอนตนั้นให้พึงสังเกตตอนนี้อันนั้นผมก็เคยเป็นมาแล้วจึง น, นำมาเปลี่ยนเพื่อเช่นเราอดหานเริ่มอดหารไปเป็นลำดับำดาในครั้งแรกจิตใจมีความสม่ำเสมอจิตใจมีความสงบเย็น จิตใจมีสติถ้าถึงกับสติมีความจืบเนื่องไปแทบจะไม่เผลอทีนี้พอเราเริ่มฉันหันมันก็แัดจะเผลอเผลอเป็นธรรมดาแต่ผลที่เราได้ก็เป็นอินวาดา้ไปเรื่อยๆพอเราาอดที่ที่หลังมันไม่เป็นอย่างนั้นแทนที่จะสงบเย็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นมามันกลับไม่เป็นแล้วเกิดความเสียใจนี่คือสัญญาอารมณ์ของเราไปหมายเอา ความเพียรของเราที่เคยทํามาแล้วแต่วาระก่อนและสติของเราที่เคยเกิดขึ้นจากในวาระก่อนนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ในขณะนั้นเสียโดยไม่ทํางานคือการสร้างสติสตางของตอนอารมณ์อดีตจึงเข้ามาแฝงแล้วก็ไม่เกิดผลให้พึงอัดอารมณ์อดีตออกไว้เอาปัจจุบันเป็นหลักที่ตั้งเสมอคือระวังสติของตอนไว้ด้วยดี จะเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามสิ่งที่เป็นไปแล้วในวาระก่อนนั้นจะดีขนาดไหนกิจจะสงบขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นขนาดไหนก็เป็นไปแล้วเป็นไปจากความเพียรนี่เองซึ่งกําลังเพียรอยู่เวลานี้ให้เป็นไปจากอะไรมีสติเป็นผู้ควบคุมงานให้ตั้งลงหลักปัจจุบันอย่าไปคาดไปหมายผลที่เกิดที่เป็นมาแล้วสูงต่ําประการใดก็ตามอย่าไปคาดอย่าไปหมายอย่าเอานํามาเป็นอารมณ์จะเป็นเครื่องก่อความติตใจ แล้วไม่สงบ ก, ก็จะมีแต่ความเสียใจว่าไม่เป็นเหมือนอย่างทาวที่แล้วที่แล้วทีแล้วนี่เป็นภาพสุกันหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงไลืแสดงให้ทราบว่ายาไปเป็นอารมณ์กับอารมณ์อดีตที่เคยเป็นมาแล้วให้ตั้งหลักปัจจุบันขณะนี้มันเป็นยังไงจิตไม่สงบเพราะเหตุใดให้ตั้งความรู้สึกตรงนี้หากว่าเราจับจุดของความรู้ไม่ได้ก็อย่าลืมคําบริกรรมพรนาไปที่ไหนให้ติดแน่กับจิตให้จิต เกาะอยู่กับคำบริกรรมภาวนานั้นเสมอเห็นพุโทโธก็ตามอัติก็ตามเจสโลมานะขาถัดพันตาตัดโจบทใดก็ตามให้จิตมันติดอยู่นั่นไม่ให้มันไปทํางานอื่นถ้าปล่อยนี่เสียมันก็ไปทํางานอื่นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสบงการบงงานให้ทำํำไม่ใช่เรื่องของธรรม บ, ง, บงการให้ทำเสียเราตั้งขึ้นมาเองเพื่อให้เกาะอยู่กับบริกรรมบริกรรมบทใดบทหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราเป็นผู้สั่งงานเอง อ, อ, อาศัยทำมาเป็นเครื่องสั่งงานเวลาทําลงไปก็เป็นธรรมจิตใจก็สงบนี่แนะเป็นการปฏิบัติการที่จะตั้งหลักตั้งฐานเบื้องต้นนี้ลําบากคือมากเหมือนกันจะลําบากแค่ไหนอย่าถือเป็นอารมณ์อีกเหมือนกันนะให้ถือว่าความเพียรเป็นสิ่งที่เราจะเพื่อความพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นให้มาก สติเจะเพิ่มพูนให้มากให้มีความเหนียวแน่นให้มีความมั่นคงให้มีความสืบต่อทางความรู้รู้ตัวอยู่เสมอปัญญาในโอกาสที่ควรจะพิจารณาก็ให้พีนามแยกแยะทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันมรคนั้นเป็นได้ทั้งภายนอกภายใ น, ยใ น, ย น, ยในปัญญาเป็นได้ทั้งภายนอกภายในถ้าทําให้เป็นปัญญาที่เรียกว่ามร์เราจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องนิจังเอาภายนอกมาพิจารณา เทียบกับภายในอย่างนี้ก็ได้เอาพิจาณาภายในเทียบกับภายนอกอ น, นี้มันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละมันไม่ได้ติดแปลกอะไรเรื่องอนนี้จังทุกข์องหน้าตาอสุภะอสุพันธ์ของปฏิปุณ โ, โคกมันมีเต็มไปหมดทั้งภายนอกภายในรูปชากรูปบุคคลรูปหญิงรูปชายเราจะพิจารณาแยกแยะอย่างไรให้เป็นอุบายวิธีของเราการพิจารณาในการที่จะพิจารณาแต่เวลาต้องการความสงบ ให้ตั้งหน้าตั้งตาธรมเพื่อความสงบด้วยคําบริกรรมบุญใดหรืออนาปานัสติก็ตามแต่จริตนิสัยที่ชอบแต่ให้มีความสืบเนื่องด้วยชติอยู่เสมอความรู้จะได้สืบต่อกันกับงานข้างตนเมื่อความรู้สืบต่อกันจิตใจไม่มีเวลาสายแสบไปภายนอกแล้วจิตก็รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามากระแสทั้งหมดรวมเข้ามาเป็นตัวของตัวกายเป็นจุดแห่งความสงบใจกลายเป็นจิตเด่นขึ้นมาที่ใจ เมื่อจุดตากฏจุดเด่นขึ้นมาที่ใจเรียกว่าใจเริ่มสงบสงบเข้ามาความคิดปรุงก็เบาบางลงไปเบาบา ง, งไปจนกระทั่งความแม้ที่จุดความคิดปรุงในเรื่องคำบริกรรมก็ค่อยเบาลงไปเบางลงไปกลายเป็นความรู้ที่เด่นขึ้นมาจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เป็นความรู้อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าจิตรวมตัวเข้าเป็นตัวของตัวแล้วเราก็อยู่กับตรงนั้นเีย นี่คือกิจ้งบให้ตัณหาตัางตาธรรมธรรมะเป็นของเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐจุดไม่มีจุดใดเสมอแล้วล่ะในโลกอันนี้วิเลกเป็นของต่ําซามเป็นของสกปรกแต่เรายังไม่เคยเห็นธรรมเรายังไม่เคยเห็นธรรมชาติที่ประเสริฐเป็นลําดับลำดับไปจึงไม่มีอะไร เข้ามา เ, เทียบเคียงเป็นคู่แข่งกับกิเลสจึงยอมรับกิเลสเรื่อยไปคล้อยตามกิเลสเชื่อกิเลสเรื่อยไปให้กิเลสกล่อมไปเรื่อยๆพอเรามีสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับกับกิเลสแล้วกิเลสก็มันก็กลายเป็นของปลอมธรรมะก็กลายเป็นของจริงขึ้นมาเป็นคู่แข่งขึ้นมาแล้วสลัดกิเลสไปได้เป็นนลำหนําดับและเห็นภัยของกิเลสประเภทต่างๆไปทุกระยะระยะระยะ พราะมีธรรมเป็นเครื่องเทียบเคียงมีธรรมเป็นคู่แข่งธรรมคือความสงบก็ตามธรรมคือความแยบยลของใจก็ตามความสงบขั้นใดก็ตามปัญญามีความละเอียดแลหลมคมขนาดใดก็ตามล้วนแล้วตั้งแต่เรียกว่าธรรมตั้งแต่เป็นธรรมที่เป็นคู่แข่งของกิเลสเลยทราบชัดเจนมาที่ระหว่างกิเลสกับธรรมนี้อันไหนที่มีความดีกว่ากันมีความถูกความสบายต่างกันอย่างไรบ้างอันมันรู้ทันทีทางเทียงๆนี่แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ทไม่ย่อท้อในความภาพแก่้องตนจนสามารถทําให้จิตใจของนนตง น, นให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงไปได้ก็เพราะอำ น, นาจแห่งธรรมเป็นธรร ม, มารถคือรถแห่งธรรมทนะถึงรถทั้งปวงรถทั้งปลงส่วนมากกับรถกิเลสมันหรอกจะเป็นรถอะไรรถชนิดไหนแา่หน้ามีมักจะมีแต่รถกิเลสข้างใ น, น ธรรมะนิชนะกิเลสกิเลสยอมแต่ทำกิเลสไม่ได้กลัวอะไรกลัวทำและยอมทำแล้วทำอย่างไรทรกิเลสถึงจะยอมถึงจะกลัวทำแล้วยกขึ้นมาธรรมะที่เป็นฝ่ายทำปฏิบัติปฏิบัติเปนเองอย่าลดนละท้อถอยเราจะเห็นแดนแห่งความสงบขึ้นที่ใจจะเห็นความสว่างขาจางแจ้งขึ้นที่ใจแล้วอุบายวิธีต่างๆ จะเห็นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆภายใจิตใจเมื่อได้เปิดทางให้เดินแล้วธรรมมีวันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่เลือกอิเดียบทไม่เลือกการสถานที่ถึงวาระธรรมที่จะเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นเรื่อย ๆ, ๆเช่นเดียวกับวาระของกิเลสที่มันเกิดขึ้นข้างมันนั่นแหละมันมีช่องมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มีอำนาจที่จะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆ ยิเรศเกิดขึ้นมากเท่าไรก็ยิ่งมีความทุกข์มากนี่ธรรมะเกิดขึ้นมากเท่าไรยิ่งมีความสุขมากนี่มันเป็นเครื่องเทียบเคียงและเป็นคู่แข่งกันได้เห็นอย่างชัดเจนในใจดวงเดียวนี่ยิเลศเคยคร้องไว้ใจเรามานานแล้วแต่ควรจะเข็ดหลาดเพราะพลิ้ภัยของมันเราก็ควรจะเข็ดหลาบได้แล้วเพราะอํานาจแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเป็นคู่แข่งเป็นเครื่องเทียบเคียงกันนั่นตอนนั้นก็เริ่มงานที่นี่ขยับตัวเข้าไปเรื่อยๆ อย่างน้อยก็ให้พยายามทําจิตใจให้สงบจะมีความสุขความสบายนักบวชของเราเฉพาะพ อ, อย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าใจหาความสงมบไม่ได้เลยนั้นอยากเข้าใจว่าจะมีความสุขนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันก็เติมไฟไปหมดนั่นภายในจิตใจเป็นแต่เพียงไม่แสดงออกแม้แต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่เห็นกระเสริฐเลิดเลืออะไรเพราะจิตนั้นน่ะมันเป็นฟัฟคิดออกไปในแง่ใดก็เลยเป็นไฟ ยิ่ไม่มีของอัศจรรย์ไม่มีของแปลกประหลาดอยู่ภายในตัวมันมีแต่เรื่องของกิเลสคิดไปเรื่องหมู่เรื่องเปลือนเรื่องครูบาต่ า, างก็เลยเป็นเรื่องกิเลสไปหมดเห็นเป็นของไม่แปลกไม่อัศจรรย์อะไรมีแต่ความช่วยชามีแต่ความทอแท้อ่อนแอแล้วก็ถอยหลังถอยหลังก็ถอยหลังให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเอาแหลกนั่นเองเราสมควรนะั้นหรือซึ่งเป็นนักปฏิบัติลูกขิตถาคตปรากฏในธรรมพระพุทธเจ้าเป็นธรรมอันเอกและจะ มาทอดกายให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายตั้งแต่พิสาลงมาถึงฝ่าเท้าเหยียบย่ำถ้าเป็นแหลกเป็นเหลวมากี่โป๊กี่ขา้นแล้วยังไม่กิดแม่หลักเราจะหาความจริงหลักมาจากไหนเราเชื่อพุทธเจ้าเชื่อได้ยังไงคำว่ากิลาคาตันหากสัตว์นางคาฉานี้มันกระถูกไม่มีมีแต่ จ, กจกักแต่ว่าคําพูดพูดทางธรรมสัณฐ า, า, า, านานี้ความจริงแล้วมันพวก ราคะโทุรสามูหะมันสั้งขังสนั่งกระแถมไม่อยู่ตลอดเวลายิ่งใกล้จิดชนิดกว่าอัดกว่าทำอีกอัดทำทั้งหลายเราลึกเป็นการเป็นรวลาส่วนที่เหลียันนี้มันมีอยู่กับหัวใจสั่งอยู่กับหัวใจเพราะมันเข้าแนบสนิทกับติดกับใจแล้วเนี่ยทำไม่มีทางที่จะแทรกเข้าไปได้มันก็เลยไม่มีอะไรอัศจริย์พะจิตมีความสงบร่มเย็นขึ้นมานี่ก็เริ่มเห็นสาระของตัวเอง เริ่มเห็นสาระของ จ, จิตใจเริ่มเห็นสาระของหู่ของเพื่อนเห็นสาระของคูบาอจารยิ่งจิตมีความละเอียดละออขมากเท่าไรเขา ย, ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดและอาจารย์ของคูบาอาจา ร, ระเดป็นลำเพราะเหตุไรเพราะจริงที่ท่านแสดงให้ฟังมากน้อยลึกตื้นจล ะ, ะเอียดแค่ไหนแต่ก่อนเราสักแต่ว่าฟังฟังมันไม่ได้ถึงใจพร้อมมีสักขีพยานปรากฏขึ้นติดใจซึ่งความสงบก็เห็นได้ชัดภายในใจตามที่ท่านแสดงนั้นมันเป็นขึ้นในเราเป็นเครื่องรับฟังแล้ว อุตุเรื่องปัญญาแต่ละขั้นละขั้นอุบายวิธีของสติปัญญาแต่ละภูมิภูมิท่านแสดงไปยังไงมันก็ปารากฏขึ้นในใจของเราเนี่ยตลอดทผลที่เกิดขึ้นจากการจากปัญญาที่แก้ที่ถอดที่ถอ น, ท, ถอ น, ท, ถอนที่ทํางานได้เป็นความขาสาดภายในจิตใจมันก็ประจักษ์กับใจเนก็ความเชื่อความลนสายในหมู่ในคณะในครูบาอาจารย์มันก็เป็นขึ้นไปเดิมำดับเพราะจิตเป็นธรรม ให้พากันพยายามผมพยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายในการประกอบความภาคเปลี่นก็มีอยู่ปัญหาเดียวทือตอนเท้ามันก็แก้ไม่ตกจะทําไงมีแขกคนมาเกี่ยวความถ้ามันมีแขกคนก็สบายหมู่เพื่อนก็ไม่ต้องรุ่งเหยิงบุนวารอคอยจะทําความสะอาดเ จ, จ็ดถูสะลานหรือเก็บกวาดสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่นี้แขกก็มาอย่างที่เห็นนั่นแหละจะทําไง มีผมคิดจนเต็มใจแต่มันแก้ไม่ตกเพราะแท็มันแค่จําพวกเดียวถ้าจําพวกเดียวก็เคยมาก็มีปัญหาอะไรเราไล่ไปเลยไปยนั้นทางกราฟยังเคยพูดทำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกนั้นมาพวกนี้มามีถึงสมัยใหม่เรื่อยๆอ่พอจะเลิกพวกนั้นมาพอจะเลิกพวกนี้นมาติดต่อกันไปเรื่อยมันก็เลยสายไปเองใหนมูอกวนที่จะคอยทําความสะอาด กัดขัดเช็ดผิวเก็บนั่นเก็บนี้ก็ต้องพลอยเสียเวลาไปด้วยอันนี้ผมคิดเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตอกนอกจากนั้นก็ไม่มีงานมีการอะไรประกอบความเขียนเดินมากมันดีก็ให้เดินให้มากถ้ามันเหนื่อยมันเกลียดถ้าเราไม่ได้ทํางานก็ควรตเติมร่างกายมันก็มีเหมือนกันถ้าไม่ได้ทําการทํางานอะไรมี้รู้สึกเส้นเอ็นมันเกิดแปลก แสดงความไม่สะดวกสบายทางกายเดิ น, นมากๆเดินความเพียรนั่นแหะนั่นละทำงานนั่งเวลาจะควรนั่งมากหรือควรนั่งนานอันนี้มันตามแต่ความสามารถของตัวเองบอกกันไม่ได้บังคับกันไม่ได้ตามวิยาศัสตตามความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติอย่างผมเองที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังก็อย่างนั้นเหมือนกันที่แ ร, ก น, ร, รกนั่งภาวนาพุทธะที่แรกนี่ เพียงสามทีวทีมันก็เจ็บปวดไปหมดจากนั้นมามันก็ได้ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจากนั้นมาเหกับสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งแต่ละครั้งละครั้งหนึ่สี่สามสี่ชั่วโมงบมเวลามันจะเอาจิงเอาจังมันจะเป็นมันเป็นของมันเองมันมีเหตุการณ์ขับขันที่ควนที่ต่อสู้กันให้เห็นเหตุเห็นผลรู้แจ้งเห็นกลิ่นของกันและกันก็ขึ้นเวทีเอาตายเขาว่าสักที นั่งตลอดรุ่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่ได้คิดนนั่งตลอดลุ่งอะไรเนี่ยแต่เวลานั่งเข้าไปแล้วกีเรติมันสูงเข้ามาสูงเข้ามาสูงเข้ามารุ่มเข้ามาลุมเข้ามาเอ้เนี่ยมันยังไงยังไงกันมาเฮ้อว่ะนั่นมันขึ้นอยู่นะถ้าจักรพรดิพิถีมานะก็ว่าไปเสียแต่มันเป็นฝ่ายธรรมนะ่ือมันเป็นยังไงวะมันเป็นเรื่องของมรรคอย่างนี้ต่อสู้กับกีเรติของตัวเองนี่นะไม่ได้ไปต่อสู้กับใครถ้าไปไปว่าคนหนึ่งต่อสู้คนอื่นมันเป็นกียรติ แต่เมื่อเพื่อเอาใช้ได้ชนะตัวเองนี้มันเป็นมากมากเป็นเครื่อต่อสู้กับพี่เลศนี่ทีนี้มันก็หมุนเตีว้วของมันทำ น, นะไรเวลามได้นนหมุนแล้วก็อา้าตายรว่างั้นตั้งสัจจะวิฐานกึ๊กกั๊กเขเลยเวลานั้นเอาณวันนี้นะเราจะเอาให้เห็นความจริงที่มันแสดงอยู่นั้นเป็นเพราะอะไรไม่ตายก็สว่างออกจากที่ ในระยะจากนี้ไปถึงสว่างจะไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายในงานอันนี้ได้เลยหินกับหมุนติวต้วติ้วเติ้วลงไปงานถึงวาระของมันที่จะเป็นมันเป็นของมันพอได้หลักได้เกณฑ์จากการปฏิบัติแบบนี้ในระยะนี้แล้วมันก็เป็นเครื่องมืออันดีที่เราจะปฏิบัติในวาระต่อไปไม่สะทกสะท้าน ในเรื่องทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยเราได้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจกันแล้วทุกเวทนาได้ขาดไปจากใจไม่สัมผัสซ้สำพัน์ซึ่งกันกันพอให้เกิดความโโกโตก็เตือนเราก็ทราบแล้วกายทุกส่วนก็เป็นทั้งจริมตามส่ว น, นของเขาเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยเขาก็ไม่รู้ความหมายของเขาเขาไม่ทราบก็เป็นเวทนาเขาเป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเป็นความจริงเหมือนกัน ตั้งอยู่ตามสภาคของตนยิดหักเป็นผู้ประช้ำขันนั่นหมายสิ่งนั้นว่าเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่แล้วว่าเราทุกตรงนั้นเราทุกตรงนี้แล้วรวมเข้ามาว่าเป็นเราเป็นเราลเลวสิ่งเหล่านั่นซึ่งเป็นความจริงมาเผาตัวเองเพราะปัญญาไม่ทันเมื่อปัญญาได้แยกแยะเห็นตามความจริงทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างแล้วกายทุกส่วนมันก็สับแต่ว่ากายเป็นความจริงเช่นนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมตนาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามธรรมชาติของเขา จิตเป็นผู้ไปสําคัญมันหมายต่างหากพอมารู้เรื่องของจิตผู้สําคัญมันหมายตัวสัญญาเป็นสําคัญมากพอมารู้เรื่องนี้จิตมันก็หดเข้าหดตัวก็ไปของสัญญานั้นแหละมันหดตัวก็ไปหดตัวก็ไปก็พอเห็นความจริงในใจตัวเองแต่นั้นก็ใจก็จริงทนี้กายก็จริงเวทนาก็จริงต่างอันต่างจริงแม้เวทนาจะไม่รับลงไปดักดุมไปก็ตามมันก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนาะน มีเป็นอุบายสําคัญได้หลับได้เกินเกิดความอาถรรพ์จิตสงา่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตเห็นความอาัศจรรย์ในตัวเองอย่างบอกไม่ถูกซึ่งไม่เคยเห็นมาเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้สิ่งลึกยึนเป็นที่ภูมิใจอย่างยิ่งแล้วนี่เกิดความอาถรรต่อเวทนาจกนกระทั่งถึงไปเรื่องของความตายเ อ, อ้ยความตายมันจะมาจากไหนวะทุกเวทนาหน้าไหนมันจะมาหลอกเรา มันไม่เอาทุกเวทน า, าที่เป็นอยู่เวลานี้ไปเป็นในขณะตายมันจะเอาทุกเวทน า, าหน้าไหนมาหลอกเราทุกเวทน า, าที่ปรากฏอยู่นี่เราได้เข้าใจมันแล้วตามความจริงตายก็ไม่มีความหมายสำคัญอะไรือขอให้รู้ความจริงก็แล้วกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต่างอันต่างสราหยตัวลงไปจากความผสมมันก็ไปอยู่ตามความจริงของมันแล้วจิตมันตายที่ไหน ว่ามันตายมันยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นในจิตก็เป็นตามความคิดของตัวเองแล้วแล้วอะไรตายดินน้ำลมไฟเคยตายเคยทิหายไปที่ไหนไม่มีณจิตเคยตายที่ไหนมันเห็นเด่นยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นตัวนี้หรือตัวจะตายมันเอาอะไรมาตายคนชาเหตุไม่ถึงมีแต่ความเด่นดวงดีมันมันก็ยิ่งชัดหนักเลยเกิดความกล้าหาญขึ้นมามหมายถึงเวลาเวลาตามโอกาสที่ควรมันจะต่อสู้กันมันเป็นของมันเอง เปนอ่าี้มันขอให้ทุกท่านตั้งความพยายามอย่ากดูแลท้อถอยให้พยายามอยู่โดยสม่ำเสมอะเอาสมบัติอันตรศูดนี่มาครองหนึ่งหัวใจอเรื่องกิเลส ท, ที่มาอยู่บนหัวใจเรานั้นนะมันอยู่มานานตั้งกับทางการจนตัวเองก็ไม่ทราบว่าต้นสายปลายทางมันมาจากไหนต้นทางมันมาจากไหนมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบกับวก็ความมืดดำของเราเอง ล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสจะย่ำทำลายจิตใจนักผักผักดันมาตรวจที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่ไหนก็มีแต่กิเลสพาให้เกิดกิเลสพาให้ตายกิเลสพาให้ทุกข์ให้ลําบากําบนเราไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะเห็นโทษอะไรไม่มีอะไรทําโทษเรานอกจากกิเลสดิงพัดอากาศร้อนหนาวเป็นธรรมดาไม่รุนแรงเหมือนกิเลสทําลายเราหรือทรมานเราบีบบังคับเรานี่แหละ เอาลงจุดนี้ที่ส้นภายของจิตแล้วเราจะมีทางเลยก ใ, ใจจะมีความสงบร่วมเยต่อจากนี้ไปให้ท่านปัญญาอธิบายให้ร่วงฟังก่อนหยุดประเวพักหุย